เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่สิทธทันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเป็นวันพระวันธรรมมัสวาณะและเป็นวันหยุด ทางราชการเป็นวันรัฐธรรมนูญญาติโยนจึงได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้เป็นกำไรแก่ชีวิตเพราะการได้ทำบุญได้ให้ทาน ได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังเทศฟังถามนี้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจอย่างมากมีคุณมีประโยชน์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆใดๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะบุญกุศลนี่และเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของจิตใจ ของสัตว์โลกทั้งหลายจิตใจของผู้ใดมีบุญมีกุศลมากน้อยเพียงไรก็จะมีความสุขความปลอดภัยมากน้อยเพียงนั้นไม่มีอย่างอื่นที่เป็นที่พึ่งของใจของสัตว์โลกได้เงินทองนี้ก็เป็นเพียงที่พึ่งของร่างกายคือเป็นปัจจัยสี่ของร่างกายเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยสี่ของใจปัจจัยสีของใจก็คือบุญกุศลที่พวกเราได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้เราจึงควรใช้เวลาของชีวิตของมนุษย์นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะมีมนุษย์ทท่านั้นที่จะสามารถตักตวงบุญกุศล ได้อย่างเต็มที่ถ้าไปเกิดในพบอื่นชาติอื่นจะไม่สามารถตักตัวงบุญบุญศลได้เท่ากับการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายดายมีต้องมีปัจจัยหลายอย่างพร้อมถึงจะมาเกิดได้คือต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐาน ถ้าไม่มีศีลห้าแล้วจะต้องไปเกิดในอบายไปชดใช้กรรมจนกว่าจะหมดถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้ทำบุญให้ทานอย่างสม่าเสมอได้รักษาศีลอย่างสม่าเสมอเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วหลังจากนั้น ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็จะมีสถานภาพที่ดีกว่าเดิม mm hmm. ดีกว่าชาติก่อนเนื่องจากบุญบารมีนี้เป็นผู้ที่จะสะสมที่จะสนับสนุน <c oughs> ให้ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองดังนั้นเราจะควรที่จะถามตัวเราเองอยู่เสมอเสมอว่า วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะชีวิตด้วยโอกาสของเราจะมีน้อยลงไปเรื่อยโอกาสที่จะตักตวงบุญกุศลนี้มันจะมีเวลาน้อยลงไปนี่เรื่อยเหมือนกับการเติมน้ำมันให้รถยนต์ของเราถ้าเราไม่มีเวลาเติมเราก็จะเติมได้ไม่มาก ถ้าเรามีเวลามากเราก็จะเติมได้เต็มที่ดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลาหรือหมดเวลากับการกับสิ่ง อ, อื่นๆเลยถ้าไม่จาเป็นให้เสียเวลากับสิ่งที่จาเป็นเท่านั้นก็คือการดำรงชีพการรักษาชีวิตของเราให้อยู่ได้อย่างสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เดือดร้อน เราก็ต้องมีสั ม, มาชีพต้องทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริญแล้วเมื่อเราได้เงินทองมาพอเพียงต่อการดำรงชีพแล้วเราก็ควรใช้เวลาว่างมาสร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะบุญกุศลนี่แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราสมบัติที่เราได้เช่นข้าวของเงินทองต่างๆนี้ ไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเป็นสมบัติผลัดกันชมเป็นสมบัติชั่วคราวเมื่อเวลาที่เราตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถเอาสมบัติเหล่านี้ไปกับเราได้ต้องกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปแต่บุญกุศลที่เป็นทรัพย์ภายในใจนี้จะไปกับเรา จะเลี้ยงดูเราให้อยู่อย่างมีความนุ่มเย็ยนเป็นสุขให้เราได้ไปเกิดในภพที่ดีภพที่มีแต่ความสุขและความเจริญมากกว่ามีความทุกข์และมีความเสือ่อมเพราะนั้นเราจึงต้องคอยเตือนเราตัวเราอยู่เรื่อยๆเวลาเราอยู่ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรก็ให้เราทําบุญกันเถิดมาวัดไม่ได้ก็ทําที่บ้านก็ได้ เพราะบุญนี้มีหลายอย่างด้วยกันบุญที่เกิดจากการให้อย่างที่ญาติโยมนำเอาเข้าวของต่างๆมาถวายพระนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการทำจิตใจให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้มีปัญญา นี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึง่งเราไม่ต้องไปที่วัดเราก็สามารถทําได้อยู่บ้านเราก็นั่งสมาธิได้ทําจิตใจให้สงบได้อยู่บ้านก็ฟังเทศฟังธรรมได้เพราะมีสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทปจะเป็นซีดีจะเป็นวิทยุหรือเป็นโทรทัศน์เราสามารถเปิดดูเปิดฟังได้ อย่าไปดูไปฟังในสิ่งที่ไร้สาระไม่ได้ทำให้จิตใจของเรามีปัญญาหรือมีความสงบแต่กลับทำให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านหรือเกิดความเบื่อหน่ายได้สิ่งต่างๆที่เราดูนี้ส่วนใหญ่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราเพราะไม่ได้ทำให้จิตใจของเรามีความสงบมีความสุขหรือมีความอิ่มเอิบใจ แต่กลับทำให้จิตใจมีความโลภความอยากความต้องการเพิ่มมากขึ้นเวลาเราดูโฆสณาในโทรทัศน์ก็ทำให้เราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาทำให้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะซื้อสิ่งต่างๆที่เขามีกันได้ที่เขาขายกันอยู่ได้ก็ทำให้เรามีความท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ เพราะว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้ว่าสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้ให้ความสุขแก่จิตใจมันไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของจิตใจสิ่งที่เป็นที่พึ่งของใจที่ให้ความสุขให้ความอิม่อมเอิกับใจนี้ไม่จําเป็นต้องมีเงินไม่มีเงินก็มีกันได้ขอให้มีศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว มีความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรความอดทนก็สามารถที่จะได้ทรัพย์ที่ประเสริฐได้ไม่ต้องมีเงินมีทองอย่าไปคิดว่าต้องมีเงินถึงจะทําทบุญได้ไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องทําบุญที่เกี่ยวกับการซื้อของมาถวายพระเราก็ทําบุญด้วยการรักษาศีลได้ บุญที่เกิดจากการรักษาศีลนี้มีอันิสง ม, มีประโยชน์มากกว่าบุญที่เกิดจากการให้หลายเท่าด้วยกันเพราะบุญที่เกิดจากการให้นี้ก็เพียงแต่จะทำให้เรามีความสุขใจมีความภูมิใจแล้วก็ทำให้เรามีสมบัติเข้าของเงินทองภายในพบหน้าชาติหน้า เป็นเหมือนการกับการสะสมเข้าของเงินทองต่างๆไว้รอเราเวลาเราไปเกิดในภพหน้าชาหน้าเราจะได้ไม่อดอยากขาดแคลนแต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลนี้มีคุณค่ากว่าเพราะว่าทํทำให้เรามีความสุขใจความภูมิใจความทุกข์ใจน้อยลงไปแล้วก็จะเป็นหลักประกัน ให้เราได้ไปเกิดในสวรรค์ให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราให้ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลเวลาเราตายไปเราก็ยังต้องไปเกิดในอบายแต่จะเป็นอบายที่มีบุญที่เราทำนี้คอยดูแลอยู่เช่นไปเกิดเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสวยงาม มีคนอยากจะได้เอาไปเลี้ยงบางคนไม่มีลูกก็ไปซื้อสุนัขสวยๆงามๆ น, นี่มาลมาเลี้ยงแทนลูกบางคนถึงกับมีห้องปรับอากาศให้สุนัขเขาอยู่สุนัขตัวนั้นก็เป็นสุนัขที่เคยได้ทำบุญมาในอดีตนั่นเองเคยได้ให้ทานมาแต่ไม่ได้รักษาศีล ก็เลยไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแล้วก็มีสมบัติเข้าของเงินทองแต่ต้องไปเกิดเป็นสุนัขที่สวยงามหรือเป็นนกที่สวยงามเป็นแมวที่มีรูปร่างสวยงามมีคนอยากจะได้ออกไปเลี้ยงนั่นแหละนี่คืออ น, นิสงค์ของการให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลถ้าให้ทานด้วยแล้วรักษาศีลด้วย เวลาตายไปก็ได้ไปสวรรค์ก่อนได้ไปเป็นเทพเป็นเทวดาไปอยู่สวยอาหารทิพย์ไปจนเมื่อบุญที่ได้สะสมไว้นี้หมดไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อก็จะมีเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเดิม นี่คือบุญที่เราสามารถทำกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาใดข้อสำคัญขอให้เราคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลามันผ่านไปผ่านไปอายุของเราก็สั้นลงสั้นลงเวลาที่จะเติมบุญเติมกุศลก็จะมีน้อยลงเวลาเราตายไปสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆญาติาตาาพี่น้องลูก เจ้าสามีภรรยาเราเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวหรืออย่างเดียวหรือชิ้นเดียวเอาไปได้ก็คือบุญหรือบาปที่เราทำไว้ในพบนี้เท่านั้นเองเท่านั้นอย่าไปหลงกับการสะสมลาบยศ ส, สรเสิญสุขมันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจมันไม่ได้ช่วยให้จิตใจนี้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น แต่กลับจะทำให้จิตใจมีความทุกข์ความวุ่นวายใจมากขึ้นเราจึงควรพยายามตัดเรื่องการสร้างการแสวงหาลาภยศสารเ ส, ร, ส, ะะเสริญสุขต่างๆให้น้อยลงไปแล้วเอาเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะยากมาก ก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรมใช้เวรใช้กรรมในอบายไปตกนรกบ้างออกจากนารกก็กลับมาเป็นเปรตบ้างจากเปรตก็มาเป็นเบระฉานต่อกว่า จ, จะได้กลับเป็นมนุษย์อีกเอพอาพุทธศาสนาก็อาจจะหมดไปไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในยุค ข, ของมิกสัน ญ, ญียุคมืดยุคที่ไม่มีคนทำบุญให้ทาน มีแต่ฆ่าฟันกันแก่งแย่งชิงดีกันการมาเกิดในยุคนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการได้เป็นมนุษยนะ์เพราะจะต้องมาทำบาปทำกรรมต่อต้องคอยมาต่อสู้กับพวกใจร้ายใจอธรมขิต ท, ทั้งหลายนะพวกคนใจดีเขาก็ไปเกิดเป็นเทวดากันหมดนะหรือถ้าไม่เช่นนั้นเขาก็หลบไปอยู่ตามป่าตามเขา ปล่อยให้คนใจใจร้ายใจใจบาปนี้ฆ่ากันไปจนหมดจากโลกเมื่อไม่มีคนใจบาปเหลืออยู่แล้วคนใจบุญก็จะออกมาจากตามป่าตามเขาเพื่อมาสร้างสังคมขึ้นมาใหม่มาสร้างบุญสร้างกุศลกันคนก็จะอยู่กันโล้เย็นเป็นสุขกันต่อไปแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ มาตัดสรุปมาสั่งสอนธรรมะผู้ที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเช่นในชาตินี้พอได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็จะเกิดศรัทธาและจะปฏิบัติจนบรรลุถึงพระนิพพานได้ถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเตรียมไว้ในชาตินี้ <c oughs> เวลาไปพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภายภาคหน้ า, นาก็จะไม่มีความสามารถที่จะ น้อมเอาคำสอนมาปฏิบัติได้หรือจะไม่มีศรัทธาที่จะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนคนในสมัยปัจจุบันนี้ที่ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่หลากหลายด้วยกันไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่อนรกเชื่อสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องโกหก เป็นเรื่องของของคนแต่งขึ้นมาแต่ความจริงเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นพวกเรานี้ไม่ได้มาเกิดจากศูนย์และไม่ได้ตายไปสู่ศูนย์เรามาจากชาติก่อนและเราก็จะไปชาติต่อไปถ้าเรายังไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลจนทำให้เรา ไปถึงพระนิพพานถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่ อ, อต่อไปแต่จะเวียนว่ายตายเกิดในในวงจรที่ดีหรือในวงจรที่ไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราถ้าเราสร้างบุญสร้างคุณสอยู่อย่างสม่ำเสมอเราก็จะไปเกิดในวงจรที่ดี คือไปเกิดในสุขติไปเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยเจ้าบ้างหรือกลับมาเป็นมนุษย์บ้างถ้าเราสร้างบาปเราก็จะไปเกิดในอบายแล้วก็ไปเป็นเนราชานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างกลับไปกลับมาอย่างนี้พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็กลับมาสร้างบาสร้างกรรมใหม่เพราะติดเป็นนิสัยชอบ สร้างบาปสร้างกรรมมากกว่าสร้างบุญสร้างคุสมคนเราเวลาเคยทําอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปถ้าชอบสร้างสร้างบุญสร้างคุสมก็จะติดเป็นนิสัยไปเกิดพบใดชาติใดก็จะทําบุญทําคุสมอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าชอบทําบาปทํากรรมเกิดไปพบใดชาติใดก็จะทําบาปทํากรรมอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นถ้าเรายังมีนิสัยชอบทำบาปทำกรรมอยู่เราต้องล้างต้องฝืนเพราะการฝืนนี้จะทำให้นิสัยนี้หมดไปได้เ <c oughs> ช่นเวลาอยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเสพสุรายาเมาเราก็ต้องพยายามฝืนอย่าไปทำเ <c oughs> <c oughs> ช่น ว, วันนี้เป็นวันพระเราก็มาสมาทานศีลห้ากัน สมาทานแล้วเราต้องรักษากันไม่ใช่สมาทานเฉยๆพอออกไปจากวัดก็ไปพูดโกหกไปดื่มสุราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดตเารวีไปฆ่สัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้การสมาทานศีล ก, ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการสมาทานนี้เป็นการตั้งเป้าหมาย ให้แก่ใจของเราว่าวันนี้จะต้องทำอย่างดีเหมือนกับญาติโยนอยู่ที่บ้านเมื่อวานนี้หรือวันนี้ได้ตั้งเป้าหมายว่าวันนี้จะมาทำบุญที่วัดญาติโยนก็ได้มาทาบุญที่วัดเวลาตั้งใจและตั้งอะไรไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วต้องมีสัจจะคือต้องมีความจริงใจถ้าไม่มีความจริงใจตั้งไปแล้วอาจจะไม่ได้ทำตามที่เราตั้งก็ได้ ฉันญาติโยมสมมติว่าไปตั้งใจว่าจะมาวัดในวันนี้พอตอนเช้าก็มีคนโทรมาให้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ถ้าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจต่อความตั้งใจก็จะเปลี่ยนใจได้ก็จะไปกับเพื่อนที่เขาชวนให้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่ถ้ามีความจริงใจถึงแม้เขาจะมาชวนเราเราก็จะปฏิเสธไป ก็บอกว่าได้ตั้งใจจะมาวัดแล้วเมื่อได้ตั้งใจจะทําอะไรก็ต้องให้มีความจริงใจถึงจะสามารถทําตามที่เราตั้งใจได้อย่างวันนี้เราสมาทานศีลห<ม>้ากันเราก็ต้องมีความตั้งใจมีความจริงใจถ้าเราตั้งตั้งใจสมาทานศีลแล้วแต่เราไม่มีความจริงใจพอเราออกจากศาลาไปเราก็ไม่รักษาแล้ว ฝากทิ้งไว้ที่สารานี้ไปแต่ตัวไม่เอาศีลไปด้วยเราก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้เมื่อเราไม่สามารถรักษาศีลได้เราก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอาบายต่อไปมันไม่ดีการเกิดเป็นมนุษย์กับเกิดเป็นเดราชฉานี้อย่างไหนจะดีกว่ากันเกิดเป็นเดราชฉานี้ก็ต้องเลีนรนมากกว่าต้องหากินด้วยความยากลาบาก แล้วก็มีพิษมีภัยรอบด้ไม่รู้ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์อื่นเมื่อไรแต่ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีความปลอดภัยกว่าเพราะมนุษย์นี้มีกฎมีระเบียบไม่ฆ่ากันง่ายๆเพราะถ้าฆ่ากันแล้วก็จะต้องถูกจับไปลงโทษจึงไม่ค่อยมีการฆ่ากันมากนักเหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน และสัตว์เบลาชานก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจคาสอนของพระพุทธเจ้าได้จะไม่รู้ผิดถูกดีชั่วจะไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะอยู่แบบแบบมืดบอดอยู่แบบเหมือนคนตาบอดทาสิ่งที่เป็นโทษกับตนเองมากกว่าทาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่เราเป็นมนุษย์นี้เราเชิงดี เรามีมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถเข้าใจได้ฟังแล้วเราเข้าใจสิ่งที่เราต้องมีขั้นต่อไปก็คือเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อเชื่อว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องกับหลักของความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ เป็นความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่จริงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญและเรื่องผลของบุญก็คือสุขติและบาปและผลของบาปก็คืออบายเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงเป็นมาแล้วทรง เคยเวียนว่ายตายเกิดมาและเดี๋ยวนี้ก็ทรงหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วและได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วท่านได้พบกับความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกแล้วที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขที่สูงที่สุดที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไป เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกขมาเกี่ยวข้องด้วยไม่เหมือนกับความสุขของพวกเราที่มีแล้วก็หายไปแล้วก็มีความทุกมาทดแทนสลับกันไปแต่ความสุขของพระนิพพานนี้จะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีไม่มีความทุกข์เข้ามามาเบียดบังเลยแม้แต่นิดเดียว เป็นความสุขที่พวกเราสามารถหามาไว้เป็นสมบัติของพวกเราได้ถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือให้มันสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆให้มันทําบุญให้ตานอยู่เรื่อยๆให้มันรักษาศีลอยู่เรื่อยๆให้มันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆให้มันทําจิตใจให้สงบ ด้วยการนั่งทำสมาธิและให้มันเจริญปัญญาให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่จะไปกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่เป็นตัวเหตุที่จะฉุดากให้จิตใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปใช้กรรมในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือ โอกาสทองของพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดเป็นได้เกิดมาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสมาศึกษาและปฏิบัติธรรมความสิ่งทั้งสาประการนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากพวกเรานี่มีบุญมากจึงได้มีโอกาส มาฟั่งเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจึงอย่าปล่อยโอกาสอันมีค่านี้ให้หลุดไปจากมือของเราเหมือนกับเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราอย่าให้ลอตเตอรี่ใบนั้นหายไปรีบเอาไปขึ้นเงินเสีย อย่าเก็บเอาไว้ก็อาจจะหายไปได้หายไปแล้วจะมาเสียใจภายหลังฉันใดเราได้พบของมนุษย์นี้แล้วเราได้พบกับพระพุทธศาสนานี้แล้วเรามีโอกาสมาวัดมาประพฤติมาปฏิบัติแล้วก็ขอให้เรารีบตักตวงประโยชน์นี้ให้มากขอให้เราทำให้มากพยายามตัด ภารกิจต่างๆที่ไม่จาเป็นไปพยายามตัดความสุขทางโลกต่างๆไปเพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขแบบยาขมเคือบน้ำตาลมันสุขในขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสพอผ่านไปแล้วก็หลงเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหรืออยู่แต่ความหิวความอยากความต้องการ เราพยายามอย่าไปหาความสุขเหล่านี้อย่าไปหาเงินทองมากจนเกินไปไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าไปหาตำแหน่งมากจนเกินไปอย่าไปหาความสรรเสริญเยินยอสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงให้มาหาความสุขที่เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าเพราะวันเวลาของเรานี้ก็จะค่อยๆหมดไปหมดไป แล้วก็โอกาสที่เราจะทำปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้นี้มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆบางทียังไม่ทันตายแต่แก่ก็ไม่สามารถทำได้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถทำได้ทำได้ก็ทำได้อย่างลาบากยากเย็นไม่เหมือนไม่เหมือนกับในขณะที่เรามีกำลังวังชามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ขอให้เราทำกันเถิดขอให้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนในสิ่งที่ดีจริงๆสำหรับพวกเราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูภาษาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านอยู่อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์เลยท่านไม่จำเป็นต้องมีสมบัติข้าวของเงินทองท่านไม่จำเป็นจะต้องมีบุตรมีธิดามีสามีมีภรรยาเพราะท่านมีปัญญา เห็นว่าการมีสิ่งเหล่านี้นั้นกลับสร้างภาระสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาก็ต้องคอยห่วงคอยกังวลต้องคอยห่วงแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่ต้องพัดพรากจากกันไปไม่มีแล้วกลับดีกว่าไม่มีแล้วก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ มีแต่ความสงบสุขมีแต่ความสบายใจนี่คือธรรมของพวกเราโอกาสของพวกเราเราจะเลือกธรรมหรือไม่นี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาบังคับเราได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ว่าเรามีปัญญามีความฉลาดพอที่จะเห็นคุณค่าของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเรายังไม่เห็นเรายังไม่มีศรัทธาก็ขอให้เราพยายามศึกษาให้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆศึกษาไปมากๆแล้วนำเอามาพิจารณาดูแล้วเราจะค่อยๆเกิดศรัทธาขึ้นมาเองเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็จะปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วเห็นผลยิ่งจะเกิดศรัทธามากขึ้นไปใหญ่จนถึงขั้นที่จะไม่มีใครมาหยุดยัง้งเราได้เลยเราอาจจะออกบวช ป, ปฏิบัติอย่างเต็มที่ในลาดับต่อไปก็ได้ถ้าเราได้ปฏิบัติและเห็นผลว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่น อ, อื่นๆได้ในโลกนี้ถ้าเราสามารถทําจิตใจให้เราให้สงบได้อย่างจริงๆสักครั้งเดียวเราจะเราจะไม่อยากได้อะไรเลยเราอยากจะได้แต่ความสงบอันนี้เพราะความสงบอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ เกิดจากการตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงตัดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตัดยศถาบรรดาศักดิ์ตัดความความสรรเสริญเยินยอนี่เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะนำเอามาเป็นของเราได้เป็นสมบัติของเราได้ขอให้เรามีศรัทธาแล้ว ปฏิบัติตามเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อใช้เวลาให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจนี้ในเวลาที่ท่านมีเวลาว่างนี้ไปพินิจพิจารณานเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้